S a ah uh. s s a l ลั u a l ว i k u ร warahmatullahi w a ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความประณีจากอัลลอาฺ س ب ح ا ن าและตาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรานทุกๆ ท, ท่านนะครับฮัมดุลิลละก็วันนี้ เป็นอีกหนึ่งเสาที่มีความพิเศษประการแรกเลยก็คือเป็นเสาแรกของฮิจรรอตใหม่ตอนนี้ก็เข้าสู่ฮิจรอตเท่าไหนึ่ง 4, 4ีหอ่าหนึ่งห้าเราไม่ค่อยคุ้นชินกันเทา่าไรเพราะเราไม่ค่อยนับนะปฏิทินอิสลามยกเว้นกรณีเข้าบวชออกบวช ทำฮัทนะแต่โดยทั่วไปเราก็จะนัดแนะกันด้วยกับปฏิทินสากลก็เป็นเสาแรกในเดือน ม, มูฮัรรอมเดือนที่หนึ่งของปฏิทินอิสลามฮิจรรัที่หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบห้านะครับเป็นการเปลี่ยนฮิจรระใหม่แล้วนะแล้วก็อีกความพิเศษอีอย่างหนึ่งก็คือเสานี้เนี่ยมีคนาจารย์มาเพิ่มนะฮะเดี๋ยวผมสอน สักชั่วโมงนิดๆ น, นะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์บุคอรีเหมฮีมนะซึ่งเป็นหลานคนโปรดของคัทยาด้วย <laughs> เป็นหลานเป็นหลานที่รักนะของคัทยาวันนี้จะได้มาพบปะพี่น้องมาบรรยายแล้วก็ไม่ธรรมดานะบรรยายคู่กับท่านอาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุข ก็บอกกับพี่น้องซะนิดนึงว่าช่วยขอดูอาให้อาจารย์ด้วยเพราะว่าอาจารย์เองเนี่ยท่านเองก็ไม่ค่อยได้ออกงานที่ไหนนะตอนนี้อย่าวิทยุศรีอิสลามเนี่ยจะไปอัดทีเนี่ยอยติมองเลยอย่าใช้งานเยอะเพราะว่าช่วงนี้ต้องให้ท่านได้รับการพักผ่อนนะวันนี้ก็เลยให้คนหนุ่มอย่างอาจารย์บุคอรีเหมพีมเนี่ยอามาร่วมบรรยายด้วยอย่างของของชั้นเนี่ย 2ชั่วโมงพอไหวมีปัญหาแต่ว่าชั่วโมงที่สองเนี่ยเริ่มเลื่อนแล้วเบอเบอนะยังยังพอไหวอ ย, อยู่เรื่องบรรยายศาสนาเนี่ยนะก็เดี๋ยวเรียนกุรอ่านกันเสร็จนะครับแล้วก็ฟังบรรยายพิเศษนะกับอาจารย์บุคอรีเหมพีมแล้วก็อาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุกนะครับอ่าก็เข้ามาเมื่อไหร่ฉันก็หยุดเลยนะแต่ว่าก็จะ จะเตรียมไว้แล้วเนี่ยประมาณให้ถึงชาวละถ้าถึงอายะที่ร้อยได้ก็แกวเลยนะก็ได้เตรียมตามเนื้อหาที่ได้พูดคุยเอาไว้นะครับอ่ะเริ่มต้นนะครับอ่านฟอิีฮะกันก่อนนะเริ่มต้นฟอิีฮะก่อนอาวุบิลลาฮิมินัชยตอนิรจีม ب ِ سم الله الرحمن الرحيم a l h a m ل u l i ِ l a h ا ل l a َ م l l a h i ل l a h i م l a h i l l a h ม ا ลกีย م ม ل د ي ن น ي ا ك ن ع ب د و ي ا كنا استعين إهدِنا ا ل ص ر ا ط المستقيم สิ ا ط ต الذين أنعمت عليهم غير ا ل م ْ ض و ب عليهم و ل ا ل ال ي อาเมนอ้างอุบิลลอฮ์มิ้นอัลชาฏานอั ا ร ل จ م บว่ามันกันลิมุมินอ ا ยยาคอตุลมุมินันอิลขต้า ว่ามังคตัลมุมินันข้อต่ออัลฟาตฮَริรูรักอบติมมุมินะว่ามังคตัลมุมินันข้อต่อตรรรกอบตวัดีอตุ มสลัมมัตุนอีอัลลิอลอัยยัดักูออลลิอิลอยยดกู فإن كان منكم منعدو ا ل ك ُ م و هو مؤمن فتحرير ر ق َ ب ة ٍ م ُ ؤ م ن ة ว่าอ ن นกาณ์มิเข้ามิม بين คุมว่าเบนหุมมิแท้กَ่าอิ بين คุมว่าเบนหุมมิแท้กว่ ฟาดีอะตุมมุสลัมมะตุนอิลาอัลฮิวะตَฮาริรูรอคบติมุมินตสَมตอล Famalam yajid, fasyia mushah, roini muttaabi'ani taubatam min Allah. Famalam yajid, f a s y a mushah, roini m u t t a b i a n i taubatam min Allah. وكان الله ع ل ي م ح ك ي م ا وكان الله ع ل ي م ح ك ي, ي ه ه م ا و ما ي ق ُ ل م ِ ن ا م ُ ت َ ع َ م ِّ د ا فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمَ และศิลปินนั้นมุตัมมิดัมฟาญาจัอูฮู ف َ ج َ ز ฟ ا ญُ ه ُอَ ه َ ن َนนُมَ ا ل ِ د ล ا ดِฟ ه ห ا و, الله و الله َาดีบัล و าห์ ه ขา عليه ولاعنه وأعدله عذابا عظيما มาดูความหมายนะครับวากาว่มากาเนะและไม่ใช่วิสัยก็คือเป็นข้อห้ามนะและเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะเป็นสิ่งที่เป็นข้อห้ามไม่ใช่วิสัยของมนุษย์ก็คือไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของใครของคนที่เป็นผู้ศรัทธานะไอยัตุลามุมีนันนะ และไม่ใช่วิสัยของผู้ศรัทธาที่จะไปฆ่าผู้ศรัทธาใดอ่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยห้ามในการที่จะสังหารหรือฆ่าผู้ที่ศรัทธาด้วยกันอันนี้อันนี้ถือว่าเอานี่คือฆ่าจริงๆเลยนะไปฆ่ากันตายนั่นแหละนะอิลาขอต่ออา่าเว้นแต่ ด้วยกับสาเหตุของการผิดพลาดเท่านั้นอ่าอย่างสมมุติมีคนบอกอาจารย์ละตีมเนี่ยไปฆ่าคนตายก็ต้องไปถามว่าไปฆ่าคนแบบไหนอ่ะถ้าไปตั้งใจฆ่าคนอันนี้ไม่ได้ผิดหลักการศาสนาแต่ไม่ได้ตั้งใจเกิดจากความผิดพลาดเช่นขับรถบางคนมีนะขับรถแล้วไปประสบอุบัติเหตุไปชนคนเสียชีวิต ถามว่าไอ้คนนี่คนเร็วคนชั่วร์ไหมไม่ได้เมาไม่ได้อะไรนะไม่ได้ไปกินเหล้าเมายาอะไรแต่วันนั้นเกิดเหตุรถมันไม่มันไม่สมบูรณ์นะรถเกิดยางแตกขึ้นมาเสียหลักถนน ล, ลื่นเราก็ขับไม่ประมาท ด, ด้วยอ่าประมาทไหมก็ต้องดูว่ามันประมาทเปล่าเช่นคนขับเกินความเร็วที่ดีกฎหมายจราจรไหมแต่แถมว่าต่อให้ประมาทก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปฆ่าคนอยู่แลว้วแต่ถามว่าเหตุของการประมาทมันก็อาจจะเป็นเหตุทําให้คนเนี่ย เสียชีวิตนะครับไอแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดไปฆ่าคนโดยความผิดพลาดเข้าใจผิดนะอย่างโมงกอเนี่ยมันมีวะอยู่คนหนึ่งแกซึมเศร้าไปเลยนะแกขับเรือสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยขับรถขับรถเนี่ยเป็นเรื่องน้อยมากเพราะโมกอเขาโดยสารกันทางเรือคลองบรป่านี่เป็นคลองที่คตเคี้ยวมาก <rane S 2> เขาก็ขับเรือเรือสมัยก่อนก็จะเป็นเรือที่มีเครื่องก่นนะอ่าเรือโดยใหญ่ๆเนี่ยอ่าสองตอนไม่ไรู้แต่ไม่แต่เป็นเรือใหญ่นะเขานั่งกันได้เยอะปรากฏว่าเขาก็ล mm ้อเล่นกับเพื so ่อนเพื่อนเนี่ยภายเรือเล็กๆทำการชอดปลาสมัยก่อนก็ชอดปลาเนี่ยก็มีแบตเตอรี่อันหนึ่งชอดปลาซึ่งจริงๆชอดปลาในไม่โทรมันต้องใช้กัจับแห่แต่ชดเร็วยืนลงไปปั๊บปลาลอยขึ้นมาเลย แค่ น, นี้เขาล้อเล่นกับเพื่อนแทนนี้เขาจะเบาเรือหน่อยเขาก็เร่งเครื่องนิดนึงอ่าเพราะแล้วก็ขับไปเพื่อนก็ด่าใช่ไหมเพราะว่าเพื่อนก็จะด่าแน่นอนว่าเอ้ยอเรือยสมมตินะบางหวงังเรือบางหวงังแก้งอะไรเงี้ยแต่วันนั้นมันดันไม่เป็นเพลเพลแบบ น, นั้นเกิดเรือโคง้งแล้วยืนอยู่พอดีก็ตกลงไปไอ้แชแรงที่ช็อตปลาเข้าหน้าอกเลยตายตายเลยถามว่าอย่างเงี้ยเขาเจตนาฆ่าไหมไม่ได้มีเจตนาฆ่า แต่ถาว่าประมาทไหมประมาทไอ้นั่นก็ประมาทด้วยใช้ใช้ไฟฟ้าช็อตกับประมาทใช่ไหมเพราะเป็นอันตรายราผิดกฎหมายด้วยแล้วเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ด้วยนะครับไอ้อย่างเงี้ยโอ้โหต้องเอาไปประหารชีวิตเลยรึไหมมันก็ไปถึงขนาดนั้นแต่มีการต้องไถ่โทษเอาล้อบอกนะฟัตฮรีดูรอกอบาติมุมินะ วิธีการไถ่โทษของคนที่ไปฆ่าคนโดยผิดพลาดอย่างเงี้ยไม่ได้เจตนาขับรถไปชนคนเสียชีวิต <c oughs> แบบนี้เนี่ยศา ส, สนาบอกว่าดังนั้นไม่มีการประหารชีวิตแต่ให้ฟตาฮ์รีดูรกกับะปล่อยทาตและ้าตตรงเนี้ยในกุฎามวบามุมีนะโมมีนะ่าแสดงว่าเป็นทาตผู้หญิงที่ศรัทธาแต่ในการอธาาิบายเนี่ย ผู้ชายก็ปล่อยได้ไม่ได้ว่าต้องปล่อยผู้หญิงอย่างเดียวอ่าปล่อยผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ที่เป็นผู้ศรัทธานะแต่จแต่เงื่อนไขต้องเป็นผู้ศรัทธาถ้าไม่ใช่ผู้ศรัทธาไม่ได้นะต้องเป็นท่าที่ศรัทธาวัด <c oughs> <c oughs> ีวัดีดตุ้มขออยนะมะนาวเนี่ยและยังไม่พอ และจะต้องจ่ายศินไหมมุสัลและมาตุนอีลอาอัลีฮีให้กับทายาทเหมือนกับฟ้องทางแพ่งเราไปทําเขาตายโดยที่ไม่จิตตนาเราก็ต้องเอาเงินของเราเนี่ยจ่ายค่าทดแทนให้กับคนที่เขาเป็นทายาทเพราะเขาเสียชีวิตเนี่ยอย่างบางคนเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงครอบครัวตายไปปับ๊บลูกเป็นเด็กกำพร้า ภรรยาต้องเป็นไม่พ่อแม่ไม่มีคนดูเราก็จะต้องเอาเงินตรงนี้แหละจ่ายเข้าไปอิลอยซศดากูเว้นแต่คนคนนั้นเนี่ยเขายกให้ไม่เอาความเพราะไอ้คนที่ไปไปไปไปขับรถชนคนตายคนเนี้ยเขาก็เป็นคนดีไม่ได้เจตนาะแถมยังเป็นคนยากคนจนอีกต่างหากไอเราคนมีสตังหรือไอคนที่ถูกชนเนี่ยมันก็ประมาทโดดใส่รถเราอย่างเงี้ยนะเออ ข้ามถนนไม่ดูทางไม่อะไรก็เป็นเหตุทั้งสองฝ่ายแต่ไอคนนั้นตายนะแบบนี้เขาก็ถือว่าสามารถจะยกให้ได้และก็อีกูกลุมหนึ่งว่าอิงกแนะมินเกามินนะเอาเราบอกต่อว่าถ้าหากว่าเขาเนี่ยคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะมินอาดูวิน ล, ละกุมอยู่ในหมู่ชนที่เป็นศัตรูกับพวกเจ้า mm hmm. เกิดเป็นสถานการณ์ที่สู้รบกัน แต่คนที่มาทําหน้าที่เนี่ยที่มาเป็นศัตรูเนี่ยกลับเป็นมุสลิมอ้าวแต่เจ้านายเขาไม่ใช่เนี่ยเขาใช้มุสลิมมาอีกทีหนึ่งมามาสู้กับคนที่เป็นมุสลิมนะและเราก็พลาดพลั้งหรือมีเหตุนะไปฆ่าเขาแบบนี้เนี่ยเราก็ถือว่ามีความผิดว่าหัวมุมีนุนฟะตาฮรีดุรอรกอบาตินมุมีนะ และคนที่ตายเนี่ยเป็นมุมินด้วยเป็นผู้ศรัทธาด้วยอันนี้เราจะต้องทำยังไงฟอร์ตารีรอกบาปล่อยทาตาปล่อยทาตที่เป็นผู้ศรัทธาหญิงหนึ่งคนนะแต่ว่าใจใจสินหไหมไหมไม่ต้อ ง, ไ ม, องไม่ต้องจ่ายอ่าสินไหมไม่ต้องเพราะเป็นศันนตรูกันอยเป็นศัตรูกันไม่ได้เป็นมิตรกันนะว่าอินกาณามินเก้ามินใบนะกุมวะใบนะฮุมมีสาว ก, ก และถ้าหากว่าคนที่เราไปฆ่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีพันธะสัญญาระหว่างพวกเจ้ากับพวกเขาเป็นอย่างดีเลยแปลว่าคนเนี้ยอาจจะไม่ใช่มุสลิมก็ได้แต่เขามาอยู่ในรัฐาอิสลามมาใช้ชีวิตแล้วก็เสียภาษีไม่ได้เป็นศัตรูเป็นเป็นมิตรกับเรานี่แหละมาทำงานแล้วเราก็ดันไปฆ่าเขาตายโดยที่ไม่ได้เจตนาเนี่ยแบบนี้ ศา ส, สนาบอกฟาดี้ตุมมูซัลและมาตุนอิลาอาลีฮีอันนี้ก็ต้องจ่ายค่าสินไหมให้เขาแม้ว่าเขาจะคนละศาสนากันนะแต่เขามาอยู่ในข้อตกลงการเป็นมิตรกันมาทำงานไามา่ได้เป็นศัตรูกันมาอยู่ร่วมกันมีใจาพาทรงประสีเป็นเหมือนกับเป็นประชากรแรงงานนำเข้ามาแบบนี้นะก็ต้องจ่ายค่าชดเชยแต่ว่าก็ต้องมาตกลงกันบอกประมาณเท่าไหร่ก็ว่ากันไป วัตถา ร, รีรกกับบติมุกมีนะและจะต้องปล่อยทาตด้วยเ อ, วเอาละอัลลอฮ์บอกต่อว่าฟามันลำอย่ยิดแต่ถ้าเกิดว่าไม่พบธาตนะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่มีทาตแล้วนะจบไหมไม่จบฟอร์ซียโมชาไรนี่มุตตะตาบีไอคนคนี้จะต้องถือสิ้นอดเป็นเวลาสองเดือนมุตตะตาบยไอแปลว่าสองเดือนติดแบบไม่ขาดกันเลยต้องต่อเนื่องเลยสองเดือนติด ยกเว้นกรณีที่มันมีเหตุเช่นสตรีมีประจำเดือนอันนี้หยุดได้เมื่อหมดประจำเดือนต้องถือสิทธิต่อเลยผู้ชายที่ป่วยป่วยแบบหนักนะป่วยแบบไม่ทํามาถือสิทธิดได้หายป่วยปับ๊บต้องถือต่อเลยแต่ถ้าเกิดวันนี้กินบุญพอดีเบย์เาเชิญกินบุญแม่เอ้ยไว้หยุดสักสองวันกินบุญดีกว่าเสาร์อาทิตย์กินบุญอร่อยด้วยไอ้ น, นี่นับใหม่เลยบวชมาแล้วสาม่สี่สิบวัน สามสิบเก้าวันหรือสี่สิบวันมานสองเดือนไงสองเดือนนหกสิบวันใช่ไห อ, อบวชมาแล้วห้าสิบวันหยุดบวชสองวันเพราะว่าไปกินบุญเริ่มใหม่นับหนึ่งใหม่นับหนึ่งใหม่นะนี่อันนี้คือการไถ่โทษนะครับเต้าบัตันมีนัลลอนั่นแหละคือการกลับเนื้อกลับตัวนะนั่นแหละคือการกลับเนื้อกลับตัว นะที่อัลลอฮฺสุบฮานาหูอตาล่ะเป็นการให้อภัยโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานาหูอตาล่ะอ่าแสดงว่าถ้าตาบัตตัวอย่างเดียวเลยแต่ไม่บวชเนไปสมมุติไปฆ่าคนไปไปชนไปขับรถชนคนตายเนี่ยไม่บวชก็ไม่พ้นนะก็ยังตก ย, ยังเป็นบาปอยู่ติดตัวอย่างั้นแหละเพราะนี่ถือว่าจําเป็นต้องทํานะต่อมาอัลลอฮฺบอกว่าวากานาลฮุอาลีมันฮากีมาอัลลอฮฺบอกว่า และปรากฏว่าอ <pe Me thin> ัลลอฮ์น hey, ั้นทรงรอบรู้และทรงปรีชาญาณเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยสาบับสาเหตุของการลงอายะนี้ลงมาเนี่ยนะเบื้องต้นเลยก็คือมุสลิมเนี่ยห้ามฆ่ากันนะทั้งหมดนะจะเป็นคนจะเป็นคนมุสลิมด้วยกันหรือเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็ฆ่าไม่ได้โดยเฉพาะในบ้านเมืองที่เราอยู่ร่วมกัน อย่างปลอดภัยนะอันนี้เรามีเขาเรียกว่าเป็นประชากรเหมือนกันนี่ไปฆ่ากันไม่ได้นนี่ก็ต้องห้ามนะครับไอ้ที่พูดเนี่ยที่ว่าฆ่ากันแบบผิดพลาดเนี่ยเพราะสมัยก่อนมันมีเรื่องของสงครามตัวอย่างอันนึงเนี่ยมุจยาฮิตได้เล่าว่าก่อนที่อายาสนี้จะประทานลงมาเนี่ยมีเรื่องของชายคนหนึ่งชื่อว่าอายาชอายาชเนี่ยเป็นน้องชายแม่เดียวกันกับอบีจัฮันนับย่หน่อยสิ เป็นน้องชายแม่เดียวกันฉันแม่เดียวกันจากบีจาฮันซึ่งแม่เดียวกันกั บ, บีจาฮั น, น, บบนคนนี้ก็ชื่ออัสมะบุตรของโมคอยริบะนะครับโมคอรอบะโมคอ ร, รีบะเรื่องก็เกิดขึ้นเพราะว่ามีชายคนหนึ่งชื่อว่าฮาริสบินยาซีดเนี่ยเขาเคยจับไอยาชเนี่ยมาทรมาน อันเนื่องมาจากเข้ารับอิสลามคือช่วงแรกเนี่ยใครรับอิสลามแล้วดูแบบอ่อนแอเนี่ยโดนจับมาขรมานจับมาทวรกรรมนะอดอาหารแล้วไม่ไจับเขาคนเดียวนะจับน้องชายด้วย่ทำทำตัวเราไม่เท่าไรทำน้องเรา เ, เขาก็รู้สึกขับแค้นใจเป็นอย่างมากแล้ววันหนึ่งเนี่ยอายาชเนี่ยก็ มารับอิสลามเอารับไปแล้วสิรับไปแล้วใช่ไหมแล้วก็มาอยู่มาดีนะและคนที่ชื่อว่าฮาริสเนี่ยที่เคยไปทําร้ายเขาเนี่ยเขาก็รับอิสลามด้วยเขารับอิสลามแล้วม า, ม า, ม, ามาดีนะมหานาบีนะ๊ยนมารับอิสลามแต่เขายังมีมีมีอะไรนะมีเหตุอ่ามขอโทษดิมีเรื่องมีธุระที่อยู่ที่เมืองมักกะก็เลยต้องไปจัดการแต่ปรากฏวันที่เข้าไปไิชิดมักกะเนี่ยอายาชเนี่ยไม่รู้ว่าฮาริสเนี่ย รับอิสลามแล้วเขาก็เลยปรีเขาไปเลยด้วยความโมโหโกรธและก็รู้ว่าเป็นมุชลิคด้วยคิดว่าเป็นมุชลิคด้วยคนนี้เคยทำร้ายมาก่อนก็เลยเอาคืนโดยการไปสังหารเขาเท่ากับไปฆ่าใครแล้วเนี่ยไปฆ่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาแต่เขาก็ไม่ เ, า, เาไม่คิดเนี่ยว่าเป็นผู้ศรัทธาเขาคิดว่ายังไม่ได้รับอิสลามแล้วม ก, ก่อนก็เคยทากับเราไว้เยอะนะเออ อายะกราานี้ก็เลยลงมาว่าเนี่ยไม่ถึงกับประหารชีวิตหรอกเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ให้ปล่อยทา่าแล้วก็ทาอะไรต่อนะให้ถื อ, อปล่อยท่าไม่ใช่ปล่อยทาาแล้วก็จ่ายค่าสินไหมถ้าไม่มีความสามารถปล่อยทา่าก็ถือสิ้ธอดสองเดือนติดครนี้ในหลักการศาสนาเนี่ยจะฆ่าได้เนี่ยมีอยู่สามกรณนะีหนึ่งอัอนบีบอกว่าและยาให้ลุดัมมูอิมรออิมมุสลิมิน มุสลิมเนี่ยเมื่อเขากล่าวคําปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใด น, นอกจากอัลลอฮ์แล้วเนี่ยลออีเลฮิดอัลลอฮ์วาอันนีมุฮัมม์วาอันนีรอซู ล, ลอลลอฮ์และบอกว่าฉันก็คือท่านา น, า น, นาบีเนี่ยเป็ น, นาศาสดาของพระองค์เนี่ยเลือดของเขาเนี่ยถือว่าเป็นที่ต้องห้ามนะอิลาเว้นแต่อีฮัดะสลาสินมีอยู่หนึ่งในสามประการก็คือทั้งสามประการนั่นแหละข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยถือว่าอนุญาตให้มีการสังหารได้หนึ่งอนนันนับสบินนับ คนที่ไปฆ่าคนโดยเจตนาต้องถูกประหารชีวิตเขาจะให้เลือกนะหนึ่งเมื่อศาลตัดสินแลว้วจะให้คนที่เป็นเจ้าของเป็นคนตัดคอเองไหมอย่าสมมติเนี่ยมาฆ่าย่อฉันฉันก็แค้นนะแต่ไปฆ่าเขาไม่ได้เพราะฆ่าคืนโดนฆ่ากลับให้เรื่องไต่สวนไปจนกระทั่งมีพยานชี้แจงรุดร้อยแล้วแล้วเขาก็ยอมรับสารภาพผิด สารก็จะสั่งเลยว่าเรามีความสามารถไหมที่จะประหารเอาธรามีลงเองเลยเลยเจ้าเขาเรียกว่าเจ้าของเลือดเราก็สามารถที่จะตัดคอคนนั้นได้ผมว่าถ้ามีการให้ทําก็มีคนทํานะเพราะว่าท่านอลีบินอบีตอเลบเน่ถูกฟันคนที่เป็นคนจัดการก็คือลูกชายของท่านนะ่ะเป็นคนประหารอ่าอันต่อมาเราใจไม่ถึงหรอกแค่เชื่อใจเราก็ไม่กล้าแล้ว แต่เราก็ไม่ยอมให้อภยัยเราก็ให้ศาลเนี่ยว่ากีนินแต่งตั้งคนที่เป็นเพชฌฆาตเนี่ยทําหน้าที่ประหารอันนี้ได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เขาจะมีคนทําหน้าที่ไม่ไม่ตัดกันเองหรอกอ่าเพราะว่าด้วยกับความแค้นอะไรเงี้ยบางทีอาจจะเกิดเลยเถิดไปนะแต่คนสมัยก่อนในเรื่องตัดคอเรื่องอะไรเนี่ยเขาเขาถือว่าสมัยก่อนมันสงครามอะ่ะเห็นกันมาจนชินตาแต่สมัยเราก็อาจจะมองว่าโอ้ยมันรุนแรงอะไรก็ว่ากันไปนะ อ่าแต่ก็คนที่มาฆ่าเรามันก็รุนแรงเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นมาฆ่าญาติพี่น้องเราก็โกรธแค้นนะครับอ่าต่อมาครับอัสไซบุธเนเจนีจนอัสไซเจนีคือผู้หญิงที่ผ่านการแต่งงานและทำซีนามีคนถามอ้าแล้วบุญชายไม่โดนเหรอโดนเหมือนกันนะโดนเหมือนกันแต่ระหว่างผู้หญิงกับบุญชายเนี่ยโอกาสที่จะเกิดเกิดเพื่อบุญหญิงเนี่ยน้อยกว่า ใช่ไหมเพราะผู้หญิงเนี่ยเป็นเป็นเพศที่รักนวลสงวนตัวอันนี้สมัยก่อนนะสมัยนี้ก็เหมือนกันแต่จะเป็นผู้ชายผู้หญิงถ้าผ่านการแต่งงานเลี้เลี้ไปทําศีนาเนี่ยและมีพยานยืนยันหรือยอมสารภาพข้อหาอย่างเดียวเลยคือคว้างจนตายประหารชีวิตนะครับแต่ถ้าไม่มีพยานหลักฐานห้ามพูดเด็ดขาดต่อให้เห็นเนี่ย ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยจูงมือกันเข้าโรงแรมในวันนึงก็จูงมือกันออกมาเราก็บอกไม่ได้ว่าเขาทําซีนากันทั้งทั้งที่เราก็คงก็ ค, งคิดแบบนั้นแหละแต่ไม่พูดไม่ได้เพราะผู้เออขอโทษดิพูดไม่ได้เพราะเราไม่เห็นอ่าไม่เห็นซึ่งยากมากในกรณีที่จะเอาคนไปคว้างกันได้เนี่ยมาเพราะส่วนใหญ่เรื่องพวกนี้ยเขาไม่มาทําประเจดิดประเจดิดเขาก็ไปแอบอ่าแอบทําซึ่งมันก็ไม่มีพยานประจักษ์หลักฐาน แต่ที่สมัยนบีปาหารเนี่ยมีอยู่สองกรณีก็คือกรณีของคนที่สารภาพเขาอยากจะให้ตัวของเขาเนี่ยพ้นโทษในดุนยาเลยเขาก็เลยมาสารภาพยอมให้โดนคว้างหินจนตายดีกว่าไปดนอยู่ในไฟนรกนี่คือใจของผู้หญิงคนนี้และนบีก็บอกว่านาบีขอดูอาให้ด้วยนะแล้วบอกว่าการสํานึกผิดเนี่ยเอาคนมาดีนะทั้งเมืองมาแบกไว้ยังไม่เท่าคนนี้เลยผู้หญิงคนนี้นะที่ยอมสารภาพผิด นะอีกกรณีหนึ่งคือกรณีที่ผู้หญิงเนี่ยท้องต่างขันและลูกอยู่ไม่ถึงหกเดือนอยู่ดีนิก้ากันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอีกเดือนหนึ่งอกิโก้แล้วไอย้ยางเงี้ยซินาชัดเจนเพราะไม่มีผู้หญิงที่ไหน่ะไม่ใช่แมวที่ท้องแป๊บเดียวเออท้องอย่างกับแมวมันต้องก้าเดือนหรือไม่ก็หกเดือนหกเดือนเนี่ย ทอดออกมาเด็กก็ดูมันจะมาสามโลครึ่งอะเก้าเดือนเอ้ยถอยมาหกเดือนเมื่อตัวกระแมงเดียวนิดเดียวนั่นแหละนะดังนั้นจีนาเนี่ยถ้าเกิดว่าใครผู้หญิงคนใดแต่งงานและไปนับวันท้องไม่ถึงหกเดือนนะแล้วไปดูซิว่าเคยแต่งงานไหมถ้าเคยแต่งงานมาแล้วอันนี้ไม่ต้องมาหาหลักฐานอะไรแล้วเลี้ยงลูกให้โตเสร็จเอาไปคว้างเลยเพราะนี่ถือว่าจีนานะ อันนี้ก็ตัวอย่างอันหนึ่งนะส่วนในที่ว่ามีพยานเห็นเน่ะไม่สําเร็จสักรายหนึง่งมันยากมากเพราะว่ามันจะไปเห็นยังไงอะสี่คนบูชายเห็นสี่คนพร้อมกันนะอ่ะต่อมาครับวตาริกูลีดีนี่มูฟาริกูริจยามาคนที่ทิ้งศาสนาและก็แยกออกไปจากยามาของเขาพูดง่ายๆคือคนที่ตกมุด ต, ตัดเนะ่ยจริงๆประหารชีวิตนะอ่ะแต่เดี๋ยวนี้ว่า ม, มีใครไปยุ่งหรอก อยากจะออกก็ออกกันไปแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ศา ส, สนาไม่ใช่เรื่องเอามาเล่นเล่นกันวันนี้อยากจะเป็นผู้นี้อยากจะออกออกก็เจอดาบแต่ตอนเข้าเนี่ยไม่ได้บังคับแต่ออกออกไม่ได้นะเพราะถือว่าคุณเนี่ยมาเป็นผู้ศรัทธาแล้วจะออกไปได้ไงเพราะนี่คือศาสนาที่แท้จริงแสดงออกไปในคุณกำลังมองว่าอิสลามไม่ใช่ดิถูกป่ะถ้าคุณออกไปเนี่ยเท่ า, ากับคุณบอกคุณบอกอิสลามไม่ใช่ อ่าแต่กรณีคนละอย่างกับคนที่ไม่ได้ศรัทธาแต่แรกนะอย่างบางคนเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานเราเนี่ยเราก็ติเต่าขเขาเป็นมุสลิมแต่ไม่ใช่ถ้าวันนึงเขาเรี้ยงเข้าไปเราไม่ได้สอนอิสลามเขาเลยวันนึ่งเขาบอกว่ามะฉันไม่ตามมาแล้วนะฉันเปลี่ยนศาสนาแมบไม่ได้หมายเขาว่าเขาศรัทธาเขาไม่ได้ศรัทธาแต่แรกต่างกับคนที่มากล่าวชาไดา้รับอิสลามเป็นอิสลามแล้วออกอืแต่เขาแค่ว่า ชินกับวิถีชีวิตที่มาอยู่อแบบนี้มีเยอะนะอคือถามว่าเป็นมิสลามทําไมหอมะเป็นป๋าเป็นแต่ไม่ได้มีความลึกซึ้งอะไรเลยในว่าเขามีความภูมิใจในการเป็นมุสลิมไม่มีเลยนะแต่เป็นเพราะย่อเป็นมะเป็นถ้าตอบแบบนี้ไม่ได้อิสลามมีการตักลีดตามได้ไงแต่ด้วยกับการที่เขาศรัทธาอย่างแท้จริงงั้นเราจะบอกให้ลูกเราเนี่ยเป็นมุสลิมตามเราอย่างเดียวไม่ได้ต้องให้เขาศรัทธาด้วยไอ้ตามเราแน่นอนแหละว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่ต้องสอนแต่ ต้องเขาต้องศรัท ธ, ธาด้วยเพราะถ้าเขาไม่ศรัท ธ, ธาวันหนึ่งพอเราไม่อยู่แล้วเขาก็ออกกันเลยเขาก็ไม่เป็นแล้วนะอันนี้ก็สอนกันเตือนกันอ่าที น, นี้ต่อมาครับอีกกรณีหนึ่งอ่ารู้ไ้ยค่าสินใหม่ต้องจ่ายเท่าไหร่น บ, บีกำหนดเลยนะคนที่ไปฆ่าคนโดยความผิดพลาดเนี่ยจะต้องจ่ายเป็นจำนวนอูดหนึ่งร้อยตัวครับอูดหนึ่งร้อยตัว นะโดยมีการแบ่งเป็นลูกอูดตัวเมียหนึ่งปียี่สิบตัวบินตุม้มมาคลอดลูกปิดลูกอะไรเนี่ยลูกอูดตัวผู้หนึ่งปีอีกยี่สิบตัวอย่างละห้าขอโทษทียี่ิบห้าครั้งก็กลายเป็นร้อยไม่ใช่อูดตัวใหญ่ทั้งหมดนะเป็นลูกหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีอย่างละยี่สิบตัวปนปนกั น, น, นเป็นล้านจ้ ะ, จะฉันคิดแล้วตอนนั้นนะ่ะคิดเป็นเงินไทยนะประมาณเกือบสิบล้านได้ เกือบสิบล้านนะต้องได้รับต่อคนด้วยนะอย่าสมมติเนี่ยไปขับรถเข้าไปชนเขาตายเนี่ยสามคนก็จ่ายสามร้อยตัวไม่ใช่ว่าหารกันนะต่อคนเลยแ้ไปทำเขาตายกี่คนเนะี่ย <c oughs> ต่อมาอายะต่อมาวามายักตุล อ, อันนี้นะวามายักตุลมุมีนัน และผู้ใดที่ฆ่าผู้ศรัธทธาโดยจงใจเลยมุตา ม, มีดันแปลว่าเจตนาฆ่าเลยฟอยาซาอูฮูยาฮันนอัลลอฮ์บอกว่าการตอบแทนของเขาก็คือนรกยาฮันนำและแบบไหนคอลีดันฟีฮาอยู่ในตลอดอยู่ในนั้นตลอดกาลวะกอดีบัลลอฮุอไลฮและอัลลอฮ์ก็จะทรงโกรธกี่เขาวะละอานาหูสาบแช่งเขา วาดเดลฮูอาดาบันอาดีมาได้ทรงตระเตรียมการลงโทษอันใหญ่หลวงไว้ให้อันนี้หลายมัสอาลาเลยต้องเข้าใจประการแรกเอาล้อ <c oughs> <Allah S 1> <c oughs> ให้อภัยไหมกับคนที่ฆ่าคนโดยเจตนาถ้าเขาสำนึกผิดอิบนอบาสบอกว่าเอาล้อ <c oughs> ไม่ให้อภัย <c oughs> เลยถ้าไปฆ่าใครที่เป็นมุสลิมนะไ <c oughs> ปผู้ศรัทธานะ เจตนาฆ่าเนี่ยเอาล็อกมาแหย่ไัยและโดนประหารชีวิตอยู่แล้วด้วยโดนประหารด้วยแตแต่ถ้าเขาหนีรอดอ่ะส ม, มติไม่มีใครมาจับเขาติดตลงติดตารางเขาจะได้รับการอภัยไหมอินนัวบารบอกไม่โดนได้ไม่ให้อภัยเลยแต่นักป่าส่วนใหญ่บอกว่าการฆ่าคนจะจิตตนาจะจิตตนาด้วยการเจตตนาก็ตามเนี่ยเขาก็สามารถที่จะกลับตัวกลับใจได้นะ ถ้าเขาขออภัยโทษอย่างจริงและก็สำรวมตนและนอบน้อมและต้องตั้งใจทําความดีด้วยนะแต่ถ้าหากว่าความชั่วของเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยสพแล้วสพเล่าฆ่าไปเรื่อยไอแบบนี้แหละฟะยะซาอูฮูจัดหันนมอัลลอฮ์เตรียมนรกนรกไว้ให้แต่เขาอาจจะวัยรุ่นเขาอาจจะมีเหมือนกันไปฆ่าคนแล้ววันหนึ่งเขากลับเนื้อกลับตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองและทําความดีนะอันเนี้ย อัลลอาอภัยให้นะนี่คือทศนะที่มีน้ำหนักมากกว่าก็อ้างอิงไปเรื่องของอิสรออีริยาดแปลว่าอะไรแปลว่าบันีิอร์อินคนหนึ่งจำได้ไหมฆ่าคนมาเก้าสิบเก้าอ่านี่แหละก็อ้างขัติส์นี้แหละ น, น, นั่นตั้งเก้าสิบเก้าคนนะและสุดท้ายก็ฆ่าเพิ่มอีกหนึ่งคนเป็นหนึ่งร้อยไอคนนี้ร้อยเนี่ยทำตัวเหมือนคนรู้แต่งตัวดีมากเลย คนเขาก็ชี้ไปเนี่ยคนมีความรู้โจนคนนี้ก็เลยไปถามฉันเนี่ยฆ่าคนมาเก้าสิบเคนแล้วฉันจะมีโอกาสในการกลับเนื้อกับตัวกับพระผู้เป็นเจ้าไหมไอ้คนคนนี้ก็เลยบอกว่าโอ้นี่แกเนี่มันเลวมากเลยโอ้ยพระเจ้าพระเจ้าไม่ให้อภยัยแกหรอกมันก็โมโ oh หฟันไปอีกคนหนึ่งครบเลยร้อยนี่เขาบอกสานเหตุไงไม่รู้เลยอย่าชี้ไม่รู้แล้วชี้โดนเลยตายกลายเป็นศพที่หนึ่งร้อย พอครบที่หนึ่งร้อยเสร็จก็มาถามอีคนหนึ่งเขานี้เป็นคุณรู้จริงๆเขาบอกอลอแล้วใครจะห้ามละ่ะระหว่างท่านกับอลส์มีใครห้ามได้เหรอท่านก็ขอกับเนื้อกับตัวกับอลสี่เล้วก็ย้ายไปอยู่เมืองที่เป็นผู้ศรัทธาอ่าพูดง่ายๆว่าย้ายไปอยู่ในสังคมที่ดีเริ่มต้นชีวิตใหม่ <c oughs> แล้วสุดท้ายอลส์ก็ให้เขาตายระหว่างทางนะแล้วก็มาลกาลรอมากก็มารับไป ครนนี้บางคนก็บอกว่าแล้วเอาล้อบอกว่าจะอยู่ในนรกแบบตลอดกาลล่ะเออแต่เขาเป็นมุสลิมนะจะอยู่ในนรกตลอดกาลหรือไม่คอรีดีคอรีดันฟีห์เขาบอกอย่างนี้ไอ้คาว่าตลอดกาลตรงนี้ไม่ใช่แปลว่าอยู่แบบและนานเพราะคําว่าคอรีดันเนี่ยต้องใช้คําว่าคูลู ด, ดุนซึ่งคูลูดเนี่ยมันแปลว่าอยู่แบบไม่มีออกเลย แต่คอรีดันเนี่ยหมือนทุกคนติดตลอดชีวิตเหมือนคนติดคุกตลอดชีวิตเนี่ยถามจริงๆว่าเวลาโดนโทษติดคุกตลอดชีวิตตลอดชีวิตจริงปะไม่จริงเนี่ยเดี๋ยวยีสปีก็ออกเล้วแต่ตอนที่พิพากษามาเนี่ยมันมันไม่ได้ลดโทษไงที่ออกมเมื่อกี้โทษบอกโทษโดนโทษติดคุก200ปีมันก็เลยบอกว่าตลอดชีวิตติดจริงๆอาจจะแค่20ปีออกมาเลีวเหมือนกันการเนี่ยที่บอกว่าติด อยู่ในนรกตลอดการแต่จริงไม่ใช่ตลอดอยู่ยาวนานเมื่อหมดแล้ว อ, อัลลอฮ์ก็ให้ออกส่วนคนที่จะอยู่แบบตลอดการเนี่ยในกุรานจะใช้ควาคว่าคูลูดคาว่าคูลูดแบบตลอดการไม่มีที่สิ้นสุดเลย <c oughs> ใช่คราวนี้ฮะดิษบทไหนที่จะมาบอกว่าอยู่แบบไม่ใช่ตลอดการนะแต่อยู่นานนะคอลีดันตัวนี้หมายว่าอยู่นานเนี่ยก็คืออันนาฮูยะคูลูดอยู่มีฮะดิษบทุกความจริงเนีน่ยจะออกจากนรก คนเนี่ยจะออกจากนรกเนี่ยมันแกแนฟีกอนบีฮีอัดเดนザรตินมินอีมานผู้ที่มีหัวใจผู้ที่ในหัวใจของเขาเนี่ยมีอีมานอยู่เพียงแค่นิดเดียวザรอแปลว่าอนุของของไอ้เมล็ดน่ยต้นไม้เ่ยที่มันปลิวอ่ะเคยเห็นไหมละอองของเกสรดอกไม้นิดเดีย ว, ah วออขอยเขามีอิมานอยู่ในใจนะเอาแล้ Allah ให้ออกนรกหมดอะ อ่าแต่จะออกนานไม่กลอีกเรื่องหนึง่งถ้าใครมีเยอะหน่อยก็ออกไวหน่อยออกมีเท่าเดียนบาทเดือเดียนดีนัดแล้วก็ออกเท่ากับนั่นเท่ากับทุลีเดียวก็ออกดังนั้นถ้าเขาเป็นคนที่ฆ่าคนตายโดยเจตนาและถูกประหารชีวิตถามว่าเราจะต้องเอามาละหมาจนาซ่าไหมก็ต้องเอามาครับเขายังเป็นมุสลิมอยู่นะแต่แน่นอนแหละอัลลอให้เขาตกนรกจากจากอายันนี้นะ จากตรนรกแต่ไม่ได้แบบตลอดการไอ้ที่ตกตลอดการนะ่ะคือคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์กับทำชีริกใหญ่ที่เหลือเนี่ยจะเป็นซีนาจะเป็นขโมยจะเป็นฆ่าคนเนรคุณพ่อแม่ตกนรกแต่มีโอกาสออกเพราะมีคำว่ามีคาว่ า, วาลอีลให้น้อลล้องนะอ่าอันนี้ก็คือความหมายทั้งหมดที่เราจะอธิบายด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราอ่านต่อนะก้าสิบสี่ เอาสิบ b i l l i o นะเชัย์อย่างราชินีนะ94นะย أيها الذين آمنوا إذا دربتم في سبيل الله يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله วَ ق ُบ ل ُ و ا ل ِ م َ ن าตะกูลุลิม إِلَيْكُمُ ا ل س َّ ل َ ا ลั ว่าละตะคูลุลิมนอัลกอออิเลิกุมุสลามลาสตัมุมิ จ ب แต่กูน่า عرض ช ح วิต الدنيا แฟนดัลลอฮ ا มาแงนิมค่าทีรา ก้ได้คกอคุณตุ้มมีกบลูกเอ็มนัลลอฮอัลัยกุมฟตับยัน ฟาแมนนะนุมมีชัดดาอย่าลืมตเสียฟามันนะลอกะาิกกุลตุมิมะบลูฟาแนนลอัลลอฮุอะลัยุมฟตาบัยยนู อินนัลลอฮะแกนบีมาตําไมลูนะขบีรออินนัลลอฮะแกนบีมาทําไมลูนะขบีรออ่าอีกรอบหนึ่งนะ يا เ ي ه ยห์เหَ่ م ที่น ذ ่ง ر ب าอ ف ي ิ้ดัِ้ ل บ ว่าตบยันุว่าละตะคุลุลิมันอัลกอออีไลกุมุสลามว่าตบยันุว่าละตะคุลุลิมันอัลกออลกมุสลาลาตมุมิน ตระหนักอَรมณ์วَ ا ل ชَ ي ิ ت ในโ و ن นี้ตَะหนักอารมَ์ว ن د ี ل ل วิตในโَก ي ี้ฟังดั แก่ ذلك คุณต้องมิคบลุฟะมันนะอัลลอฮฺอัลกุมฟตบยูก ذلك คุณต้อง ب ิคบลุฟะมันนะฟตบยู นะฟะมันนะฟมันอัลลอ์อินนั่ลลอฮะกะนาบมตมลูนะอบีรออินนัลลอฮะกะนาบีเมตัมลูนะขอบีรออัลล์บอกนะยาอยุลดีนอามานุอ uh um oh, ีดดรบตุมฟีซบิลิละโอผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อเจ้าเดินทางไปในหนทางของอัลลอฮ์และละก็ พรตะใบยานูทาให้ประจักรแจ้งเสียก่อนนะทำให้ประจักรแจ้งเสียก่อนอตรงนี้เนี่ยพี่น้องนะในสมัยก่อนเนี่ยมันยังเป็นภาวะของการสู้รบกันเวลาที่นบีส่งกองราชตะเวนออกไปไปลาดตะเวนดูเนี่ยถ้าเจอศัตรูก็ทำไงกระจับมาหรือก็ต่อสู้ฆ่า อันนี้เป็นเรื่องปกตินะเหมือนจะเจอข้าศึกเข้ามา ด, ดอมดมมองมองในเมืองเราก็สามารถที่จะจับมามาประหารหรือจะมาะจับมาเป็นเฉลยเป็นทาสได้นะครับคราวนี้พวกนี้เขารู้ว่ามุสลิมเราเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เลยก็คือเวลาจะทักทายกันก็คือให้สลามเอาแล้บอกว่าววลาตะกลูลิมันอันก อ, อีไลกุมุสลามลัสตะมุมินา และจงยาก่าวแก่ผู้ที่ให้สลามแก่เจ้าว่าเขาเนี่ยไม่ใช่มุสลิมคนที่ให้สลามกับเราอย่าไปบอกเขาว่าเขาไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่มุมินขอโทษทีไม่ใช่ผู้ศรัทธาตาเปตากูนารอดอนไหยติดดุนยาไอ้พวกเนี้ยที่มันไม่ให้สลามเนียมันหวังแค่จะสแสวงหาผลประโยชน์แห่งการมีชีวิตในดุนยาเท่านั้นแหละ ไอ้ที่มันมาให้สาลามสลามัวอะไรกูมเนี่ยไม่ใช่หรอกเออไม่ได้นะขอจะใช่ก็ได้เออไม่ให้ก็ไม่ให้ไปอันนี้ไปบอกเขาไม่ใช่เลยเอออย่าไปพูดแบบนั้นนะฟาอินดัลลอฮิมาโรนีโมกาซีรออัลลอ์ทรงมีปัจจัยยังชีพอันมากมายไม่ต้องไปเสียดายน่ะถ้าจะช่วยเหลือให้ไปน่ะ กเดลิกกกุลตุ้มมินกอบบลุฟะมันนัลอฮูอะไลกุ้มฟตตาบัยนูเดินเชิญข้าอาจารย์นักรอแป๊บมึงนะในทํานองเดียวกันนั้นพระเจ้าก็เคยเป็นผู้ที่มาก่อนอ่าเดี๋ยวค่อยมาดูนะว่าเป็นผู้ที่มาก่อนนแปลว่าอะไรแล้วอัลลอฮ์ก็ได้ทรงโปรดปานแก่พวกเจ้าดังนั้นพวะเจ้าจงให้ประจักษ์เสียก่อนฟตตาบัยนูทําให้ชัดเจนเสียก่อนแท้จริงอัลลอฮ์นั้น กแนาบีมาตามาลู้แนะอบีรอแท้จริงอัลลอฮ์ะนะั้นทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ <c oughs> ะมาดูตับสีต ร, ตรงนี้นิดหนึ่งนะอิหม่ามอามัดบันทึกมีรายงานมานะครับจากอัลกออโกะนะอัลกอออิบนูอับดินละจากบีดาวเขานะครับชื่อว่าอับดุลลอ บินอาบีฮัดรอตนะครับบอกว่าท่านรอซูนเนี่ยได้ส่งเราไปนะไปที่เผ่าแห่งหนึ่งไปที่อีกหนึ่งฉันก็ไปออกไปเจอกับกลุ่มมุสลิมกลุ่มหนึ่งนะซึ่งมีอาบูกอตาด้าด้วยนะครับนะแล้วก็มีมุฮัตลิมนะอิบนูยัสมะนะและพวกเราก็ได้ออกไป ปรากฏว่ามีอูดอยู่ตัวหนึ่งก็แบกสัมภาระผ่านมานะซึ่งแน่นอนน่พวกนี้ไม่ใช่พวกที่อยู่ในเมืองบาดีน้าไม่ใช่เป็นพวกที่แต่คนหน้าโอกาสจะเป็นศัตรูก็เป็นไปได้ถ้าเป็นศัตรูเราก็ยึดสามารถยึดอูดมาได้เลยนะนี่เหมือนกับว่าเป็นภาวะสงครามกันอยู่นะแต่ไอ้คนนั้นเน่เขาจูงอูดมาแล้วก็มีสัมภาระเขาให้สลาม อ่เขาให้สลามปรากฏว่าอามิดเนี่ยที่อยู่ด้วยเนี่ยเขาก็ปล่อยไปอ๋อไปเลยไปเลยมุสลิมเราให้สลามทัดท า, ายใช่ไหมให้สลามมาเราก็รับสลามเข้าไปแต่มีอยู่คนหนึ่งชื่อว่ามูฮัตลิมเนี่ยโอ้ยไอ้นี่สลามปลอมเข้าไปจู่โจมเลยนะพอจู่โจมก็ไปฆ่าแล้วก็ยึดอูดมาเรื่องตรงนี้ก็มาถึงท่านนาบีอลัลลอฮ์ก็ลงอุตรานนี้ลงมาว่าอย่าไปกล่าวหาใครว่าถ้าใครให้สลามแล้ว จะบอกว่าเขาไม่ใช่มุสลิมจนกว่าจะเกิดสิ่งที่มันประจักษ์แจ้งเสียก่อนน ะ, ะแล้วก็มีตัวอย่างอันนึงน ะ, ะที่ซาบะเนี่ยไปรบนะครับพอไปรบเสร็จปับ๊บสู้กันอยู่ถือดาบก็อยู่นี่หละและปรากฏว่าไอ้นั่นทําดาบตกพอดาบตกมันจะโดนฆ่าแล้วไงก็เลยกล่าวชาห์ดะนะเพราะกล่าวชาห์ดะไม่ทันกล่าวได้จบก็โดนฆ่าตายนะครับเรื่องราวก็ไปถึงท่านนาบีนะก็เรียกมาสอบสวน นะครับเพอาะเด็กมาสอบสวนเสร็จแล้วจริงไหมนายบีบอกถามว่าจริงไหมทําจริงแต่เขาอธิบายบอกว่าอ๋อก็สู้กันอยู่กับชั้นนี่แหละนะแล้วเขาจะแพ้ดาบตกแล้วนะเขาก็เลยเอาชาฮดาเนี่ยมากล่าวเพื่อเป็นการป้องกันชีวิตเท่านั้นแหละไม่ได้รับโทษศรัทธานบีก็ถามว่าแล้วเจ้าไปแหวก อ, กอกดูหัวใจเขาหรอว่าเขาเนะี่ยกล่าวมาด้วยกับอีหมานหรือกล่าวมาแบบแบบหลอกลวงอ่า นี่แหละพี่น้องบูมีมานทั้งหลายซอบาท่านนี้พอได้ยินประโยคนี้เนี่ยกลัวกลัวไม่อยากจะเข้าร่วมสงครามเลยนเะพราะไม่รู้เจตนาเขาดังนั้นเราเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราเจิตเราดูพิจารณาได้เพียงแค่ภายนอกเท่านั้นแหละครับเขาให้สลามมาเราก็รับสลามจะเป็นไม่เป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องระหว่างเขาก็รอยกเว้นว่ามันมีมันมีเรื่องที่พอแตบยานมันชัดเจนเลยไอ้นี่เป็นมูนาฟิกจริงๆมีหลักฐานชัดเจนนะ เออมีออกมาชัดเจนอันนี้คอยว่ากันแต่ถ้ามันไม่มีหลักฐานชัดเจนอะไรเราก็อย่าเพิ่งไปกล่าวหาใครว่าเขาไม่ใช่มุสลิมเพราะไอการบอกว่าใครไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะมันคือการโยน น, นรกไปให้เขาแล้ว <c oughs> บอกเขาไม่ใช่มุสลิมที่ก็แสดง ว, ว่าโยนน่ะโยน น, นรกไปให้เขาแล้วเอานะอ๋ะอแล้วก็ดิ่หนึ่งนะคนไม่รู้เนี่ยก็ต้องสอนเขาก็ต้องบอกเขาแต่เพราะบางคนเนี่ยก็น่สงสารตรงไหนรู้ไหมก็ อาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับสังคมมุสลิมนะครับเติบโตมากับสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วหลังจากนั้นก็แทบจะไม่ได้เรียนศาสนาเลยนะแต่คราวนี้เนี่ยถามว่าถ้าเราสอนเราเตือนเราบอกแล้วแล้วไม่ฟังก็อันนี้ก็ถือว่าบทหน้าทีแต่บางทีเนี่ยเรายังไม่ทันบอกทันเตือนทันสอนเลยแต่เราก็ใส่ซะก่อนแล้วมันก็ยังไม่ใช่นะอ่าก็ให้ความรู้กันนะครับ ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของสาเหตุของการประทานอันกุรา ต, ตรงนี้มานะครับก็ลบีก็เตือนเราว่าเอาล้อเตือนเราว่าอย่าเพิ่งไปกล่าวหาใครถ้าเขาให้สลามมาแล้วก็ถือว่า เ, อาเขาเป็นมุสลิมนั่นแหละนะครับแต่เนี่ยมันเป็นภาวะของสงครามกันอยู่นะ เ, เขาอาจจะใช้เครื่องมือของสลามเนี่ยมาเป็นการหลอกล่อก็ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่า เราจะไปตัดสินโดยตรงเลยเพราะเขาต่บบยานูไงะนะในกุรานก็บอกว่าให้ชัดเจนซะ ก, ก่อนนะครับอ่ประมาณนี้นะครับสุภานะก็รอคุมมาอุบิฮัมดิการัดฎอัลลาอิลาฮอิลลาอันตะอัสตั ฟ, ฟิรูกะวะตูบุลัยอัสสลามุอะลัยกุมรามตุลลอฮวะบรักาด